สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิเตเรซูตอนที่สามร้อยห้าสิบแปดเรื่องนรกพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระกัมภีร์ลูกาบทที่สิบสองข้อที่สี่จนถึงข้อที่เจ็ดลูกาบทที่สิบสองข้อที่สี่จนถึงข้อที่เจ็ดโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้ามิตรสหายของเราเอ๋ยเราบอกท่านทั้งหลายว่า อยากกลัวผู้ที่ฆ่าได้แสกกายและภายหลังไม่มีอะไรที่จะทำได้อีกแต่เราจะเตือนให้ท่านรู้ก่อนว่าควรกลัวผู้ใดจงกลัวพระองค์ผู้ทรงฆ่าตนแล้วก็ยังมีฤทธิอำนาจที่จะทิ้งในนรกได้แท้จริงเราบอกท่านว่าจงกลัวพระองค์นั่นแหละนกกระจาบห้าตัวเขาขายสงบาทไม่ใช่หรือ และนกนั้นแม้สักตัวเดียวพระเจ้าไม่ได้ทรงลืมเลยถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นอย่ากลัวเลยท่านทั้งหลายก็ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัวพเพียงนังค่าคหัวข้อในเช้าวันนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงน่ากลัวคือนรกนรกเป็นยังไงครับพระเยซูทรงสอนสาวก และฝูงชนในขณะที่พวกเขายัางห้อมล้อมเบียดเสียดกันอยู่เพรซูทรงอธิบายชัดเจนครับว่าไฟแห่งการพิพากษานั้นจะทำให้เกิดการแยกระหว่างคนดีกับคนชั่วไฟแห่งการพิพากษานั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของมนุษย์บริสุทธิ์สะอาดพี่น้องครับ แท้จริงแล้วพระเยซูกําลังเตือนสติและบอกกับให้เห็นถึงจุดหมายปลายทางของคนที่น่าชื่อใจคดพระเยซูเตือนให้เราที่จะเกรงกลัวพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านั้นมีฤทธิ์อำนาจที่จะฆ่าและมีฤทธิ์อำนาจที่จะพิพากษาและมีฤทธิ์อำนาจที่จะทิ้งลงในนรกได้พี่น้องครับทําไม พระเจ้าถึงทำเช่นนี้คําตอบก็คือพระเจ้านั้นทรงบริสุทธิ์และชอบธรรมพระองค์จะทรงที่ภากษาคนที่ทําบาปและจ่ายค่าจ้างของความบาปอย่างแน่นอนแต่ค่าจ้างของความบาปนั้นคือความตายการที่พระกมภีร์หรือพระเยซูใช้วลีที่บรรยายว่าพระเจ้าสามารถฆ่าได้หมายความว่าพระเจ้านั้น สามารถที่จะทําให้ชีวิตที่ควรจะมีควรจะเป็นควรที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นหายไปเสียไปขาดออกไปได้พี่น้องครับและไม่เพียงแต่เท่านั้นครับพ ร, พระเจ้ายัางโยนคนลงไปเนรคุกได้หมายความว่าพระเจ้ามีสิทธิอํานาจของการพิพากษานะครับนี่คือความน่าเกรงกลัว น่ากลัวของพระเจ้าแต่ท้ายสุดแล้วครับพระเยซูก็ให้กำลังใจบอกว่าอย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลยเพราะอะไรครับในขณะที่พระเจ้าสามารถที่จะโยนคนที่ไม่เชื่อฟังพระองค์ลงไปในนรกได้ในขณะที่พระเจ้าสามารถที่จะตัดขาดชีวิตที่พระเจ้าเคยประทานให้กับคนบางคนได้นั้นพระเจ้าทรงไว้ซึ่งพระคุณครับ ในข้อที่หกพระเงมพีพระเยซูได้ตรัสว่านกกระจาบห้าตัวขายสองบาทนะครับแสดงว่าคือมันมีคุณค่าน้อยแต่ครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่เคยลืมนกเหล่านั้นเลยนั่นแสดงว่าชีวิตของเราที่มีความประเสริฐมากกว่านกกระจาบหลายตัวนั้น พระเจ้าก็จะไม่ลืมแน่นอนผมของเรานั้นพระเจ้าก็นับไว้ทุกเส้นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพระเจ้านั้นละเอียดรอบคอบครับพี่น้องครับเมื่อเรามาดูครับว่านารกนั้นน่ากลัวขนาดไหนในเวลาเดียวกันเราต้องกลับมาเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าว่าแท้จริงแล้วเราไม่ต้องกลัวพระเจ้าเพราะพระเจ้านั้นทรงเป็นพระคุณและความรักพระเจ้าให้โอกาส กับเราเสมอพระเจ้าให้โอกาสเราตลอดเวลาจนกระทั่งเราหมดลมหายใจวันนั้นแหละครับชั่วโมงนั้นแหละครับวินาทีนั้นแหละครับคือหมดสิทธิ์แล้วครับมนุษย์ทุกคนที่ไม่เชื่อฟังไม่มีความเชื่อศรัทธานในพระเจ้าไม่ได้กลับใจใหม่ไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดมนุษย์พวกนั้นจะต้องถูกพิพากษาอย่างแน่นอนแต่พวกเราก็จะดำรงอยู่ในพระคุณ คนที่บังเกิดใหม่คนที่เชื่อไว้วางใจในพระเยซูก็อย่าดำรงอยู่ในพระคุณความรักของพระเจ้า ส, สืบสืบไปเป็นนิดในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะต้องเข้าไปอยู่ในนรกพี่น้องครับนรกภาษาเกจิเขาว่า hell นะครับได้มาจากสถานที่ที่เป็นที่พักอาศัยของคนที่ตายครับพูดง่ายงว่าคนที่ตายนั้นก็ต้องไปอยู่ในนรกแท้จริงแล้วนรกนี่นะครับ ในภาษาฮีบรูเรียกว่าเชโอเชโอนะครับ S H E O L c ชโนะครับและคนกรีกเขาเรียกว่าฮาเดสนะครับในภาษาพระคัมภีใหม่นั้นใช้คาว่าฮาเดสฮาเดสหรือเชโอนี้ก็จะแยกเป็นสองประเภทหรือสองฝั่งด้วยกันนะครับฝั่งที่เรียกว่าเป็นแดนผู้ตายหรือฮาเดสเชโอนะครับที่เป็นคนดี อีกฝั่งหนึ่งเป็นคนชั่วนะครับนี่คือการแยกกันและในพัมพีก็ได้มีการบรรยายว่าแดนผู้ตายทั้งสองแดนนี้ถูกแยกกันโดยเหวลึกทั้งสองฝ่ายก็ไม่อาจไปมาหาสู่กันได้นะครับและมีความคิดที่ว่าในเชโอหรือในฮาเดสนั้น ก็มีสถานที่หนึ่งสำหรับการลงโทษด้วยเช่นเดียวกันก็คือการอยู่ไม่เป็นความสุขไม่มีความสุขนะครับพี่น้องครับโทษในวารลสุดท้ายของมนุษย์ถูกเรียกว่าเกเฮนนาครับเกเฮนนาในพมพีตอนนี้แปลว่านารกจริงๆครับซึ่งเป็นที่ที่คนอธรรมคนที่ไม่ได้รับความรอดจะรับความทุกข์ทรมานตลอดนิดรันดร พี่น้องครับตรงนี้ครับทำให้เราต้องเข้าใจว่าเป็นความเป็นนิรันดร น, นั่นคือไม่สามารถกลับมาอีกได้นั่นหมายความว่าการลงโทษนั้นหลังจากที่ถูกพิพากษาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการลงโทษที่ต่อตลอดไปสืบสืบไปเป็นนิดครับคำยืนยันของเพิ่มพีมีหลายตอนด้วยกันนะครับ ไม่ว่าจะอยู่ในพระคัมพีมัทธิวบทที 22, ่ห้าข้อยี่สิบสองบทที่สิบข้อยี่สิบแปดบทที่สิบแปดข้อที่เก้ามีหลายตอนครับในลูกาบทที่สิบสองตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องเกเฮนนาครับมาระโกบทที่เก้าข้อสี่5 4บสาสิบห้าสี่สิบเจ็ดก็พูดถึงเรื่องเกเฮนนาพี่น้องครับในเกเฮนนานั้นจะมีไฟที่ไม่รู้จักดับครับไฟซึ่งไหมอยู่เป็นนิดและเป็นสถานที่ที่มีการร้องไห้ขําควม ท่ำครวนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันด้วยความขุ่นเคืองใจเป็นที่มืดเป็นที่ที่ลงโทษผู้ที่กระทำชั่วและไม่สำนึกผิดไม่กลับใจอย่างรุนแรงพี่น้องครับคำยืนยันในพระคัมภีร์และคำสอนต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนรกนั้นเรียกร้องให้เราเกิดความรับผิดชอบซึ่งมนุษย์พึงใช้เสรีภาพของตนด้วยความรับผิดชอบอันนี้ ในการมุ่งไปสู่ชะตากรรมอันนิรันดรของตัวเองที่น้องครับพระคัมภีร์เรียกร้องให้เรากลับใจอย่างเร่งด่วนเข้าไปในประตูแคบเข้าไปในทางแคบเข้าไปในทางที่จะนําไปสู่ชีวิติรันแต่ทางกว้างนั้นนําไปสู่ความตายครับทางแคบมีคนเดินน้อยคนที่พบทางนี้ก็มีน้อย ความตื่นตัวความก้อหนักถึงความไหวแรงความหดักหนาสาหัสของนรกเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องรีบกลับใจและเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องรีบประกาศข่าวประเสริฐเพระาะว่าพี่น้องของเราที่ยังไม่เชื่อนั้นเขากำลังเดินเข้าไปแดนเกเจนนาทุกวันทุกวันขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีภาราใจในการประกาศพระกิติคุณของพระเจ้า อาเมน